วันนี้เป็นวันมงคลเพราะว่าได้นะสำหรับทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้ที่ออกไปวันมงคลเพราะว่าพวกเราได้มาลุกขนมาทำดีเมื่อ้าารทำสังวันนี้เฉพาะเราจะมาฟักผ่อน การทำคุญด้การใส่บาตรก็ดีการสำคุญธ้การฟังธรรมก็ดีเนี่ยย่อมทำให้วันนี้นะเป็นวันมงคลเราทาัีเวลาไหนใดๆมันก็เป็นมงคลเป็นเรื่องดีเป็่องางดีไม่ต้องรว่าจะเป็นวันพระไม่ต้องรว่าเรื่องยามหรือของพาะหรืออภภะไรก็ได้นะปีน้าของหลายานในที่นี้ เรีว่าก็มีความยั่งยืนไปเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่น่าจะนามาพูดกันเมาะบกาก็คงจะมีเรื่องความสุขดราช่วยความคุนจะเนองรนาของทุคนทุกนเนี่ยรูแต่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 ใช้สื่อกูเทเพื่อจับปลาแล้วเราว่าปลาที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่เกินสองถา่เพื่อไปส่งนักการะพราะว่ปาปลารวมมันไม่ใช่ปลาที่เกิ น, นส้องสิ่เนีก็อยู่ในขั้นปลาชีวตมาหลายคนเนี่ยจะทุ่มเทสิ้นเปล่ากับการ ได้าามาอาสาสุขสาธิตเลยต้นใจแต่สุดท้ายก็วอกแบ่บ้านตาชี้ว่านันไม่ใช่ความสุขที่ควรจะตระหนเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดอขอึด้นกับผู้คนจำนวนมากหลายคนได้พบว่าในบ้านตาชี้นี้ สิ่งที่คุณเทมาตลอดมันไม่ได้สิ่ี่เราต้องการเป็นความสุขจันแต่ไม่ได้ความสุขชนิดที่ชนิที่ติตใจเราสวยหรือส่วนลึกของเราเรียกร้องพวกเราเมื่อต้องการปรรสบความสุขก็ควรจะทราบว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายประเภท ถ้าจะทำแม่ย el well ังแบบยาเนี่ยกนมีสองประเภทใหญ่อันแรกคความสุขที่เกิดจากการเราติกัะตุ้นใจเป็นมาสุขเกิดจากการกระตุ้นศัตรูเช่นกระตุ้นน้ำตาหูจมูนจังความสุขในนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ต่องอาศัย็ัตถุมาเป็นเคือกระตุ้น หลายเขาจะมีามสุขได้เนี่ยพราะาเรได้ินอาหาที่อร่อยอาหารที่อร่อยเนี่ยมันอร่อยแล้วมันไำให้ความสุขราะว่ามันไปกระตุ้นดาเาม่มีความสุขการกินอาหารจนะเพราะว่ามันไม่เรามันไม่จะตุ้นดีมัไม่กระตุ้้องเติมเต็มต้องเติมขึ้นลงไปเติมมะนาวลงไปเพราะว่าเพราะมันจะตุ้น มันจะกระตุ้นริมมันจะกระตุ้นใจคุณแล้วก็ยิ่งมาสู่จากการทาเพลงที่กระเทศกันที่มีจังหวะเราได้ไหมถ้าเรายิ่งมาสู่้ตัวมันใจล้วต้องเติบแต่กะตุ้นกระตุ้นท้องผู้กระตุ้นท้องใจคนฟังแล้วนไม่ได้เบียดเตนนี่คือความสุกระเแรก เรความุทมากระตุ้นใจความุจากเทศสัมัน์เนี่ยหรือเพศรนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการกระตุ้นลด้ัวแต่ถ้าเกิดเรตื่นราก็้องเกิดคัามตื่นเต้นถ้าจะว่ายุ่งๆในน้อยที่เขาติดประสบการณกับรสิ่งสัรถแข็งบางทีม่รู้อะตเราน่านเขาอกวกระตุ้นสระตุ้นขวัญ ที่ดูความสุขที่รู้เปิดสัวใจรู้จักแล้วก็ปรารถนาหลายคนเนี้ยมีความสุขเพียงแค่ได้ เ, เชี่ยวบ้างเพราะว่าพอได้เห็นของหรือสินคาใหม่ๆมันต้องไปกระตุ่นตากระตุ้นใจและมือถือก็อยากกระตุ้น ห, หนุ น, าานด้วยเพราะว่าอาจจะได้เห็นคนแต่งตัวสวยๆความสุขชนิด น, นี้มันทําทให้เรา ให้ความสำคัญกัเ ง, งินทองเพราะว่าถ้ามีเงินทองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะมาเราผูกระตุ้นกันได้กินอาหาที่รเราได้ความเป็นที่าักไืน้ำที่สนุกสนานหายคนเนี่ยจืมน้ำให้สุกเนี่ยเขาต้องเป็นน้ำที่มีแอคชั่นนะมีจกจะต่อสู้บูรงังขามถ้า น, าน้ำจริงจะพูดกัน พูดเกีันและรืนยก็ถือว่าไม่สแก็ไม่มีาสุขที่อยู่เพราะน้นได้นำ้เนี่ยมันก็จะเป็นสัมที่จะวยกทั้งมากแล้วก็รจะพูดกับคนอนาเพราะว่าคนดูแลนีมีความสุขเป็นความสุขนนี้เนี่ยเป็นความสุขที่เข้าถึงได้เร็วมาดีที่ดเย มันกายนความสุขประเภทที่สองคือความสุขที่เกิเดจากคามสงบตรงข้ามไปเลยนะตอนแรกเนี่ยมันต้องรรเราชดเชใจจะมีความสุขตอนที่สองเนี่ยด้วยอจิตเนี่ยค่อยสงบสงบลงเพื่อจะพบความสุขอย่างหนึ่งเปความสุขที่แบบนี้ความสุข น, นี้เนี่ยใช้เวลาแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ไม่่ายความสุขประเภทแร ผไม่นนตางจากเด็กๆเนี่ยนะหรือผู้ใหญ่กตาเนี่ยถ้าไกินน้าหวานเนี่ ย, ยนะก็จะรู้สามอร่อยแต่จะมากินน้าฝลที่จืดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันดีที่ตรงไหนแต่ก็ไม่รูว่าน้ำผลไม้กินได้ทั้งวันหรือได้ทั้งวัน แล้วก <Hey>, well, ็ด well e, ือได้คำชาคำชีแต่ว่าน้ำหวานเนี่ยมันอร่อยเกิดแค่สมผัสแรกเกิดแค่จดแรกที่ได้สมผัสดเีตามแต่ว่ามันกินนาไม่ได้ดื่มนานไม่ได้ถื่มากๆเขาเพื่นเกิดโรคทำให้ฟันปูทำให้เป็นโรคเบาหวานง่ายความสุขประเภนแรก ที่เกียว่วาความสุขที่เกิดจากการเราสุขตื่นใจก็จะนองนะก็คือว่ามันให้ความสุขใจติดใจของเราได้รวดเร็มนะแต่ว่ามันก็มีโทษดูจะว่าเป็นปความที่เกิดโทษในถ้าเด็กศุกจะพูดจะใช้คาที่เรียกว่าการสุข การมรรจุเนี่ยก็คือสุขที่เกิดจากการเราถือกระทุกนกันเป็นสุขที่เกิดกนการกระตุ้นสัมผัสทางตาทางจม้กทางกายแล้วก็ทางจิตการเร้ต่างเกิดเป็นอาหารที่อร่อยเป็นทุกข์ก็ทางที่สมุนทึนเส้นน่หรือว่าการที่ได้ไปประจุในต่าต่างการที่ได้จะเจอประสบการณ์ที่มันสมวนทึนเส้น จะจะปสถานที่ที่ใจตาืนตาตืนใจให้เรได้สุสถานทีู่กค้ากะตองการารงการให้เราไดเจิเจทางกาประเทศและสุดายปการกตเร่มะนสถานที่ีมันทำให้เราเกิดความตื่ตาตื่ใจจะที่ตอนหลีญี่ปุ่นอเมริกาฝสถานที่ใดต้องเลือกที่มันจะทาให้เกิดความตื่ตาืนใจ ธรรมชาติชาติบริจาคก็เป็นสิ่ง ท, งท่มันโหปรกายต่างนี่ก็เป็นความสุที่จะอยู่ในประเทศนี้นะาการไปเล่นาการไปออกาการไปไปสนุกดิสนีเวิลหรือว่าไปเล่นกิจกรหรือว่ากีฬ า, าประเทนีที่มันทำให้เกิดความสุขเล่น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 ทรศัพท์ก็ดีรถยนต์ก็ดีเพชรหนึ่งกิาก็ดีบ้านก็ดีเนี่ยมันให้มาสุขกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่ที่เรว่าเชื้อห้าสุรภูมเราแต่เราต้องมีการรักษาต้องระวังไว้ไม่ให้คนจกมาขโมยมาตกจริงเราไปจอดรถก็ต้อง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 สัวกวันก็ต้องเสื่อมไปเสียไปหสือไมก็ถูกคนรนะับขโมยออกไปแย่งชิงออกไปก็ทุกข์อีกแข้วทุกข์ตั้งแต่ดิ้นรนเพื่อหามาดิ้นอนเพื่อรักษาแล้วก็ดิ้นรอแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อมันต้องสูญเสียหรือพ้าจากเราไปเรียกได้ว่าทุกทเกือบเลย ในเรื่องเล่าว่าสมัที่หลวงปู่ดูโทรทัน์ อ, อนเนี่ยท่านมีชีว อ, อยู่หลวงปูท่านมาจากภาคตะวันตกปีละยี่สิบวปี น, ปนปปะมีกามีนายหนุ่นหนึ่เนี่ยปอบตัวหลวงู่นะจับว่าจับแกเว่าที่หลวงพ่อหลวงปู่ี่ยท่านทำนักดูเสร็จแล้วกต้องม า, ารหลวงปู่แล้มาเล่าาูชอบเขาุมา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 ส, สัวนเนี่ยถือม่ทุกในสาตวนมรักตามันไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าแม้เรารักษาเอาไว้ดีมันมไม่หายไม่คองเลยแต่ที่ตามมาก็คือว่าต่อจะเบื่อหน้าความสุขแบบนี้มันเบื่อหน้าอเรลานองเที่ยงเป็นไหที่รองก็ตามเนี่ย พอจะทำได้สีดครั้งทำได้ทค่ที่สุดครั้งเนี่ยมันก็เราก็เริ่มเลือดรับสุดาจากการต้องเจแล้วก็เพ่มจุ่างลงอาหารที่อร่อยเนี่ยไม่ว่าจะราคาแผแงแค่ไหนเนี่ยตอนที่กินมือแรกเ น, นอร่อยจต่าเมื่อากินมือเรากินอาหารชนิดันทุกวั น, ท, วนทุกมือเช้าเกินกลางวันเรากินเย็นก็กินกินไปตลอดตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ย มันจะยังอร่อยอ่มันจะให้ควมมันจะให้ความตระือังไงจะเป็นใจยากจะเป็นผูสลาดจะเป็นซุปาร์พอกไปแลวถ้เราคิดอยาเงี้ยกนทวเื่อเจากที่อร่อยนะก็เริ่มเปเร่มเื่อทีแรกกเฉยจากอร่อยก็เป็เฉยเลปลาก็เ่่อตินต่อไปนะก็จะเริ่มี แต่ถ <PTSD> of the ้าซ NO. ีรี่อเนีนยมันก็อาจจะเป็นอาเจียนเลยก็ได้อ่านี่อร่อมืนเดิมแต่ว่าเราด้ความสุขแล้วถ้าเราใสเป็นต่มเราซ้นเสื้อผ้าซือหรองงานเนี่ยแค่ทุกปีหรือแค่ทุกเดือนเลยนตอนที่ซื้มาก็มีความสุขนะไม่ว่าเป็นเสื้อไม่เก็นรองเท้าผูกเท้าแต่แล้วพใส่แค่ครั้งเดียวสองครั้งด้ว คนไม่ได้ตายเลยนะชื่อว่าไม่เหมืนได้ใช้เนี่ยองแก่ทวันับเดือนสองเดือนขึ้นเดือนทราไม่ต้องอยากขึ้นตัวรองพักเหมือนกันเราซื้อมาเนี่ยมีวาสุดที่ได้คือแต่ว่าตองเห็นตองพักคู่นั้นไปสักเดือนสองเดือนสามเดือนแมไม่มื น, นได้ใชเกื่งเดือนอยากได้คู่ม นไม่ลรมดามาที่บางคนจะจึงลอสาคู่สามารถใทุกคู่เราไม่ได้แส่ทุกคู่นแต่ว่าจึมีรองเท้าเยอะแยะอย่างนั้นกเพราะว่าไอ้ที่ซื้อมากันก่อนนั้นเบื่อก็เลยต้องซื้อใหม่พอซื้นใหม่ไม่นานก็เก่าก็ต้องซื้นใหม่บางคนมีเสื้อเป็นร้อยร้อยตัวมีแขนเจด้ี่ความเป็นเนื้อผ้าั้น หาต้องฟังของรัฐไม่หมดแต่ทไมซื้อซื้อใหม่อยู่เรือยเพราะว่าไอ้ที่มีเนี่ยมันเก่าและแล้วนี่เลยผลว่าทาไมหลายคนเนี่ยจึงมีจิตนะเพราะว่าพอพ้นเวลาต้องเบื่อไปาที่ว่าเน่ยแค่สามเดือนเงินบางคนก็ต้รองสองจิตมาแต่งงานกันแไอ้คที่ได้มาแต่ผู้ปรกอบก็มีความสุขสุดเส้น แต่พออู่ไปเบือควมคิดังเหมือนเดิมตไมด้ไได้่ี๋ยวช่วยเลยยเหมือนเดิมแต่ว่าฝวาั่วชายีกต่อไปน่าเือแล้วเรื่องปุถุก็เือกเดิมปุถ้าปุชาเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนสมาร์เดิมแต่ว่าพัฒนาสามเดือนเดือนหน่งคือเบื่อตอนีคือปัญหาแล้วเพราะว่าจะหาเปหลักประันไม่ช่หมเราะเรซื้อสินค้าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองา อันนี้เป็นส อ, นอขอุ น, นนะก็คือว่ า, าอุตสาหารที่รสาสั่งเดยที่ได้มาแล้วตอที่จะได้มันเพื่อถ้าเพื่อสปร็แต่พอได้มานะต้อง้แล้วจะต้องหาที่เราหาของใหม่หาต้นใหม่เพื่าเกียงหาเลยงนะ่อั น, นี้ก็เป็นเป็นเป็นโทษนะเป็นโทษ ของความสุขประเททนี้ผู้งานกว่ามาสุากมากทุกนะแต่ก็หน่ายเร็วเป็สุขชั่วคราวแต่ว่าลุกอย่างนาและไม่เกิตวันใหม่หลายคนเนี่ยต้อ ง, งวิ่งหงีหลบหนีถามาเรื่อยๆดีแล้วตื่นได้ต่ อ, อต้องถามใหม่ต้องมีใหม่ตัวเอี่มี การปฏิเรื่ อ, ไ อ, อะไรก็เยอะถ้ามันไอมันคือว่าความรู้ประเ น, นี้ได้เท่าไรก็ไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอมันไม่ใช่พื่อโทษหรือง่ายนนั้นนะแต่เพราะว่าความรู้สึกสุขจากการที่ได้จริงใดๆมาตาเนี่ยอมันสุขได้มาทำมันก็เรื่องเฉยนะ ก็ต้องหาใหม่หรืงีมันทุกเพราะว่าเกิดการเสพเที่ย้วยนี้เนี่ยคนหลายคนเนี่ยนะแล้วจะมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านก็ก็มีความสุขเขาก็ไม่คืนความพอใจหรือหูุดแต่ต้องติดลมหามาดู่เรือดดูดเลือดหลาคนเนี่ยถา แก่เนโชคดีมากแกได้ถูกรางวัลแกเป็ถูกลุ้ยพอลูกลวก็มีใจแต่ความอินใจบางทีก็โช ก, กร้ายเสร็จแล้วก็เมื่หรือว่าอยากจะหาใหม่อยากจะมีใหม่ก็มีการสอบถามคนที่ถูกรางวัลในริการรางวัลใายารมีทั้งสลากที่โชคดีทั้ทง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 ก็ค <entscheiden> pues, ือว่าส่วนใหญ่90เปอร์เซ็นตเนี่ยความสุกจากการที่ถูกรกรีเนี่ยมันอยู่ได้เพยงแค่ไม่เกินหนเดือนไม่เกินหนเดือนพอตอนนี้ดันก็อิจใจเหมือนจะพึ้งถนไปสเปอร์ซ็แต่ว่าความสุขนะความอิจใจก็แค่ลดลงลดลงลดลงพอถึงเดือนที่หกเนี่ยความสุขมักจะลดกลับไปประมาณหกเดืน คือเฉยจแต่ถ้าเกิดว่าเงินก้อนั้นเนี่ยเกิดหายไปหรือว่ามีคนมองโกเลียก็จะไม่อยอก็จะเปิดเผยนะแล้วสิ่งที่นา่าสิ่งที่นา่นากลัวอย่างของความรู้ท่าดนี้คือว่าคนจะฝึกไปยึดติดกับใจตรงนันน้นได้งา สามารถจะเป็นธาตของมันหลุดไรุ้นตัวตอนนั้นเนี่ยจริงไม่น่าแปลกใจทำไมผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจึงยอมทัผิดขโมยเมินคอรัปชั่นพ่อคาอยากได้เงิอนอยากได้ผัดระโยชน์อะไรี้ยกองจุมันทำให้หน้าขื้อเน่ยทำให้หน้ารื้อ อยากได้มากเนี่ยแล้วมิทำงานก็ต้องโกงก็ต้องขโมยเขาอยากได้เสื้ออยาเได้รองเท้านะที่มันแตกตาเสดจใจไม่มีงนเำงนก็ขโมยออกไปไปป้นไปที่เขาเปลี่ยนเพื่ออยากได้รองเนะท้เาในที่เคยมีเม่อเสิบสี่สก่นกอรรนยุคไมรุ่งจะไปฆ่าฆ่าตัวต้องการได้องเท้าในที่ตัวถได้สายแล้วัน ก็สัญาภาพสูญนี้ามสูมด้าสนีเนี่ยมันสามารถจะรอดลงให้เราเนี่ยทำตัวได้ง่ายเพราะว่าความความอยากนก็น่ามือ้ววันนี้เนี่ยเราโอนเก้ามีการ p r o d u c t i o นมีการต้นที่มีการรับมงิกันเนี่ยแล้วดับจะต้นทีเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อินเื่อความสุขภาพมีพลังเงินลวมท้งการไปผมคือไปชำเราเนี่ย ก็ชอบวงท่ามไปในที่ท่าที่ก็จะติดกันจนเพราะว่าพอพอพอไปเปมาสุโขทัยเรื่องเนียมันเติดง่ายมันเกิดการติดติดติดในเงินบุรเม่ติบุรี่มติดเหลาไม่ติดยาติดยาบ้าเน้ มันีืเป็นเศกิมาสู่แค่นี้ซึ่งต้องได้มืการมีเงินแล้วก็ตองไปขโมยเงิ น, ต, นต้องไปโปงลักทรัพย์มันถือเขั้นหนึงนังก็คือไปฆ่านะฆ่าเพื่อนหรือฆ่าผู้มีชู่นเงินข่าวรุมฆ่าพี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อหวังรุป ม, มรดกก็จะเป็นคนเร็วมากเลยนจาก ต, ตองนี้นี่อ ไปยึดกับความสุขเพด้อนไ้นี่หมัทำให้่านแล้วก็หุดตัวนั่นคือเป็นความสุขที่ที่น่ากลัวมากผู้คนทุวนี้ไม่มีดูอยากไม่มความสุขนะฝักชิ้นตเกยดำรงอยู่เพราะว่าศาสนาเผยหาความสุขที่เกิดจากุความสุขที่มุ่งราติด จะต้องมีปัจจัยที่พุทตามในเรื่องการผสมเรื่องนี้เนี่ยการที่เรามาดูจากความสูกพุกเพศเองเนี่ยคือความรู้สึเดจาความสงบเนี่ยมเป็นสิ่งสำคัญความสุกเพศนี้มันตรงห้าสองควาุกเพศแรกประเภทแรกต้องเราจิตกระตุ้นอย่งนี้ประเภที่สองเนี่ยเป็นความสูขที่เกิดจากาจที่สงบ So เมื่อจมันสนอารมณสอารมณ์สารมณนี่ยเาจะต้องบกความจริงหลายคนที่เคยรู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากอาหารที่อร่อยเป็นที่เคาะถงที่เราตื่ะตุ้งใจต้องยี่งโดนแข่งขันพอได้มีโอกาสที่ที่สงบที่เงียบสงบหคนจะรู้สึกว่ามันมีอะไรย่าตื่นน มันมีบางอย่างภายในที่รู้สึกโริหาปรารถนาสิ่งนั้นสายคนที่มาวัดสมาเนี่ยก็ปากสุวโตประโยนหน้าที่พูดจารกรรมก็คือว่าที่นี่มันสงบและเสียหน้ารขาเนี่ยมันจะไปเสีงหน้าเขาสุดปลื้มพอใจหลายคนเลยคือว่าทน่นี่คือสิ่ที่ข้างใน เป็นเร่องที่ข้างในรังบาเ่องที่มีคนต้องการความสุดวกแค่นี้มาหลายคนเนี่ยหลังจากที่มุ่นหวังชีวิตในเมืองกอถึงวันหยุดมนต่อที่เนี่ยเขาอยากจะออกไปไกลไปไหนเข้าป่าไปอยู่ต่อขึ้นเขาเพราะาะไน เขาไปตรวจสอบครมบมรงนู้นมองไเรื่องที่จะไปทราบในที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ในระยาเนี่ยเลยบอกเลยว่าบานพักที่สัญญาณโทรศัพท์มเนเข้าไปถึงเนี่ยะมันเป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็ราคาระแพงด้วยแลคนเจอไปน้อยเลยเนี่ยตอนถึงวันสอวที่เนี่ยก็ก็จะเก็บชื่ที่เขาคุเคยนะไปที่นี่ตรงนู้น ไม่ใช่แต่สะดวกจากเสียงรุ่นวัย น, นะตากแต่อย่างไรขึ้นสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าถ้ามีสัญญาณโทรศัพท์อะไรเขาบอกไม่ได้ทียจะต้อมเปิดเช็คเมลดูญญโทรศัพท์แล้วก็วุ่นวายมีหลายแหงเนี่ยที่จะลงเวลที่ริษัทที่เขาตนะิดเครื่องนะจากเครื่องสืส่อญาณขึ้นเครื่องรทรศัญาญณญโทรศัพท์เนี่ยแล้วคนก็ไม่ยอม ส่วนใหญก็เป็นพวกที่มีเ <figuring> งินมากพวกนี้เนี่ยเขาตัวเชื้อวุ่นวายมากแม้มีเงินเยอะนะแต่พอถึงจุดมันก็ปรับธนาสถานที่ที่มันทำงานี๋ยวนี้ตานนี้กมือถอเลวมาเนี่ยก็ปรับธนาความแต่นี้อยาไปที่นี่มันไมีเสียเพลงนะไม่มีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ เพื่อจกจิตจะได้สงสารต่อคาสุาสที่มันต้องหาที่ยากและน้วามเนี่ยใ้ความสงบแบบนี้ต้องหาที่ยากขึ้นเยื่อยๆกรณ์ว่าคาสงบตนน้ราปนะรเป็นทองนะความสงเวลาเป็นะเป็นทองตอนที่มีแต่ความพูด่เรีนเช่นกันเชนถ้า็นหมู่บ้านรายแห่เลยนะเชื่อหมู่บ้านหทเีนี่จะเชร จหาความสเกันในวัอป่าต้การเปนเรว่าวัดปาต้องการเป็นสถานที่ไม่กี่แห่งนะในประเทศที่ยัง ก, กอจะพ้กับความสงบผู้เจ้าการในวัสัวริโมกว่าให้บุคคลเนี่นนนนยผู้จันอนและ น, น, นั่งในทีส่สาบสงบตกานอนเะการนอนและนั่งในที่สงบสงตนอันนี้เป็นหนึ่งในก ก็คือจักรเสถีการนอนและนั่นในที่นั่สนบสนานอย่างรัศมีเนี่ยที่ที่ ส, สนุกสํานที่นะมันเป็นแค่มันเป็นความสนบกภายนอกสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือความสมบนบกภายในจริงอยู่นะเราการที่เราดูความสนบภายในได้นะ ดูใจที่สงบเนี่ยเริ่มแรกพอลอยต้องอาศัยสถานที่ที่มันสงบเช่นภูเขาฝ่าไม้อย้านงห้องที่ติตแอร์โรงรมู้่ในกรงทต้องติดตัวระบายตตัวระบายอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศภายนอกให้เกิดค แล้วมันจะช่อยปอบใจให้สมบงภายนอกด้วยอย่างเราตามเนียถ้าเราจะหวังความสมบงภายนอกที่ต้องอาศัยความสมบงภายอกเนี่ยให้ความสมองดานนั้มันก็ไม่เที่ยงเพราะว่าที่สมาบารนเดืยนนี้เนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็มีเสียงดังนะอาจจะไม่ใช่เสียงเพลงแต่ก็เป็นเสียงที่ผ่านมาติดต่อกันที่สมอง แต่ว่าถ้ามีสัญญาโทรศัพท์ถึงหรือว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตถึงมีข้อความนอนไนเาไปรูปให้เราอ่านก็ต้องไห้สมองจับนะปลายโคตรเนี่ยก็เลยจะงไปต้องมีโทรศัพท์อถือด้วยแต่ความสมองภายในเนี่ยถ้าเราความสมองภายในจะถูกที่กับความสมองภายนอกนความสมองภายในของเราจก็จะ จะง่ายคอแฟรเราต้องเยนรู้ที่จะพบกับความปะอภายในเราที่ไม่เอาพึ่งพาสิ่งภายนอกเฮ้ยสถาบันตกใจเลยจะเดินขึ้นได้จากใดในธรรมศาสตร์นี่เราตกใจไลยมันเริ่มเป็นรายการที่เราเป็นผู้มีสิทเป็นผู้ทำความดีคนเราเน่าเราไม่มีสิทธิ์เราความดี เราไปละเมื่อิทธิ์เกี่ยวกับผู้อื่เนี่ยได้หรอไ ม, ม, นะ ม, ม่ที่สมบูนะติจารย์ก็วางรูปติจารย์วางรูปดอกประมณเราเดิดไปรับประมณจโกไครหรือว่าไปติสิข้าสามหรือไปฆ่าสามมีความรู้สึกหรื อ, 4, อ, 3, รอ า, านะอง ท, ทงีก็มีความรู้สกร้อนใจแต่เราเล่นเราทาความชั่วเย่านี้เราก็เกินมาลรบดอกประมณว่า จะต้องใช้การไหหรือว่าตำรวจก็จะก็จะโบะความกิดหรือเล่าใครฟังมคิงที่เราทาเนี่ยไอความที่เราทาเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยไหมแต่ๆจะอยู่ในห้องติดแน่จิตใจก็ว่างุดแม้ที่ในป่าจิตใจก็ภูมิทังเพราะนั้นี่ยถ้าเราลริ่มด้วยจิตใของความดีนะการมีสี่งเราแค่สิ่งมาก่อน ถ้าเราทำสีห้าร็งนะไม่โผ้่ไม่รับข้อมูลใครนะไม่ไปประพฤติจับใครเนี่ยไม่ไปด่าใค้ทงเุ๊นอินเรน็นไม่ไปปล่อยาวลือเราก็สบายใจให้มาสบายใจนก็เป็นความสต้นต้นถ้าเราทกบใจต้องเริ่มต้นจากการที่เราความดีเริ่มต้นจากรที่มีสี้าเร็ แล้วต่อมาถ้าเราขยายถึงข้อที่8เราก็จะรงนอ้ภาพขึ้นโดยก็ถข้อที่7เนี่ยก็คือการที่ไห้ไปปลคือการที่จกรับวางหรือรับเวี้นงความสนิทสนานความรู้เรื่อการรับเล่้นะจะเป็นเกณ์จะเป็นฐางเราเรียนรู้ที่จะวางว่า หรือละเมิดเหมือนกันเวลาเราไปไหนเนี่ยแม้ว่าไม่มีเสียเพลงไม่มีงานให้ดูหรือว่าไม่มีการเล่แตจเราก็สงบได้เพราะวจิตเราเริ่มเป็นอิสระนะจากไอ้สิ่งรับอยูจะตื่นใจกันซึ่งไม่จำเป็นต้องากผู้บังคเราทำอไรก็ได้ซึือแม้แต่การละเมิดสิ่งที่เราเคยเคินเคตใจก็ได เจมออนไลน์แล้วคนไปไหนเนี่ย น, นจิตใจจะวอกผู้นนักโทษติต่สาตับไปที่ขึ้นอต่อตานะติดคอนเกมออนไลน์แต่ว่ า, า, าไม่มีสัญญากันเอยู่ป่านยู่วัดป่าร่องาุ่นจิตใจเพราะว่าติ่ติดแต่ถ้าเร า, เร า, าลองฝึกละใน ล, ะล้างวางดูว่าจะกระทั่งจิตใจเราเนี่ยสามารถจะวางได้เราก็จะสงบุต้เปที่ไหน ไม่ต้อะไปขึ้นสิขึ้นพาหรือขึ้นคืนแล้วบางส่วภายในเรื่องเในการที่เราทำความดีเมื่อเราทาความดีเนี่ยเราก็จะมีความปิจฉาใจเราไปจะมีความร้องยุ่อยู่ในใจไม่มีความรตกกังวลไม่มีความสุดติดตอกหลงจังแต่แล้วตาเนี่ยเพียงแค่มีสีเนี่ยนะมันเป็นขั้นต้นเราต้องตามเราต้องฝึก ก็ต้องไปใจก่อนนะเชีนรู้จักทำสมาธิเพราะว่าบางหลายคนทำงานเยอะเสร็จเดี๋ยวว่างดอาจจะว้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนเราเนีไม่ได้หยุงานแล้วเมื่อกลับบ้านงานไม่ได้เลือกตีโมกึ่งบ่ายโมงเย็นเดี๋ยวนี้งานตาไปถึงบ้านตาไปถึงห้องนอน ตามมาไลายของทางเ e ้นทั้งทางปีนเร็วจังหวะทีนี้เวลาทำงานคนสมายนี้มันไม่แช่เริ่มต้นเจ้าโม่แล้วแล้เลอกสื่องัวขาวเสร็จนะมันเริ่มแต่ตีห้าตอนที่เราสือมาแล้วก็ไปเลิกแล้วเพสื่อเรื่องอะไรหลานเลยนอนไม่หลับสถานที่เป็นความที่ต่เพราะว่ารู้จักสุ่อใจรู้จักการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยช่วยทำให้ใจ เระวัายนความตั้ ง, ง, งจิงนว่ามุงสร้างไปกับงานซึ่งเป็นเรื่องสถิติหรือเป็นข่าวสิติที่เมาให้ถึงเกล้าก็เมื่อเราตั้งอยู่บ้านใจราอยู่บ้านเมื่ อ, อ, เ, อเราเกลือตู้ใจเราเกลืนตู้เมื่อเราจะนอนเราก็นอนได้ก็าเรารูจา้จักความสมาธิคือดตัจิตเนี่ย ให้เป็นหนึ่งให้จิงมันจรลมไายใจนะให้จิตมันอยู่กอบความสุขตัวก็ได้ให้จิตอยู่กตายก็ได้ซึ่งเป็นปัจจุบันสมาธิเนี่ยมันจะช่อททำให้เราก็ปอบความสบภายในแต้ความสงบเนี่ยนะมันจงความสุขที่จะเกิดผู้เจ้าตรัสว่าสุอที่หนักความสงบไม่มีความสงบที่นี่ไม่ได้ความสงบของจิตว่ารอ แต่ความสงบที่ว่านั่คือควาสมสงบใจสงบภายในไม่ใช่สงบภายนอกและสงบภายในเนี่ยนอกจากเกิดขึ้นจากกาที่เราดีใจแล้วยังเกิดทีการที่เรา จ, จับทำสมาธินะสมาธิการเมื่อสินน่งแวดแน่น่เปลี่นใจเปลี่ยนเงิซึ่งเพื่อทำให้เรารับฟังไอสิ่งที่ทำให้อิจใจว่ารู้ได้ไม่ว่าจะนาการไม่าเป็นนินสัยนันที่ยังไม่ได้สำลั เวลารารทำวิะญาณก็ว no ่างตัวนอกการท่วิญญาณคือสําคัญมากที่สติสติสติพือเมื่อจิตใจเราเนี่ยสามารถจะสงบได้ในเราเหได้่าเราจะหุ่นตัวนหลายคนเนี่ยนะจะสงบได้เพาต้องมีเหตุการณ์แต่เขมีเหตุการณ์ก็จะจิตก็แตกต่ แล้วจิตตาแล้วมันจะโทษเเป็นเพราะเสียงกันที่อีกเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ใจเราใจเราที่วางไว้ไม่ถูกใจที่นึกจับควันนึกวางและใจมายึดเพราะว่าไม่มสติใจนี้สติมีรเรื่องเราว่าสมัยที่หรูพุทธาิน์ิษยงูพุทธานะุทเจ้าเป็น เดี๋ยวนี้กาสั่ริวันี้ลาเ้ท่านี่มาัเวในกรุงเทพวนตุรีสังเวยเสร็จท่านก็จะกลับวัดโยมจาของบ้านเืว่าหู่าแล้วเลยีมนท่ท่านพักวเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยจากกรุงเทพตุรีเนี่ยนั้นไม่ดีชวานาเปลเียเป็นง จะน้อยพ่อไม่ทำครับเพื่อไป็นลูกศิษย์ลูกขาเรานั่งตนเพือนตลอดที่หลวงพ่อเองหลัอยู่ลูกศิย์ลาเลยในเตือนอะไรกันก็แต่ทต่สร้างแต่บงเออเนี่ยห้องพิจิตรห้องหลวงปู่อาเนี่ยคือเป็นห้องเฉานะห้องพิจิตรเนี่ยมันเป็นร้านโต๊ะวยเจ้าของคืออาชพคนจรสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจอเปเวลา ทช้าใช่ไหมตัวโซเดียมเพราะว่าโซกแตกสัยนั้นเนี่ยต้องขึ้นเดอเาอย่างแค่ไหนนะผลิตขึนมาเรารสมเกลต้องมาเงทางเกลนัวเอี่ละเดินียเกลือก็ดำกนเดินขึ้นบันไดเนี่ยเกลดำเข้ามาในหที่ราปูกจัวัดรู้สึกก็ไม่่อใจก็ปวดที่มันว่ามเดินไม่จริงใจเลย เขียนตามใจเลยเจงใจเลยรูดาน้ท่านท่านหลักท่านหลักตาแต่ท่านไม่ได้จำวันตอนที่เสียนเปลยหรู้สึกท่านก็พูดเปลยเปลาว่าตที่เกิดขัเขาู่ก็พูดเปลยเปานอว่าเขาจอีีรออุปกรณเกี้ยตัวเองนะเียีไม่ใชาปาคืออาุปกรณ์เกี้ย แลเที่ยวบรอเทียนว่าเราูไม่มีสติฟังหูไม่มีสติเนี่ยพอใจไม่มีสติหูมันก็หาเรื่องนะอกูเตะรองเทียนถ้าเราไม่อกหูรอเทียนนะเห่นทำยิ่งในใจก็เป็นปกติอันนี้เรียกว่าเกิดความสกบภนมีเรื่องรองเท้าช้ากันะแตว่ที่ลวงปู่พ่อาตัวเนี่ยท่านท่านงมีีวอยู่เนี่ย <mister isation> ที่ว่าหนองตะโพงเนี่ยคลาวเนี่ยที่ว่าหนองตะโพงหมู่บ้านที่อยู่เึตว่าหนองตะโพเนี่ยก็มีเขามีงานสองก็จะเป็นงานส่งงานแล้วก็มีหมอรับส่งอรังทไทยาตร์ทเป็นงานส่เนี่ยนะเด็งดังทั้งวันทั้งคืนหลุดตื่แล้วเนี่ยหมอรับส่ก็ยังไม่เลิกนะจะเป็นหมอหลัก็ดีทางการก็ดีท่าเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะว่าดังมั้งคืน ก็พระก็เลยไปเจรจากับผ hey, well, he tamam ู้ใหญ่บ้านนะขอให้หมอตพเนี่ยเลิกสามปีได้ไหมก็มาเจอนเยลาตอนวันละสอชั SCP ่วโมงปีสามตื่นตอนรงาชอบว่าไม่ยอมแต่ว่าไมียอมพ้าก็เลยไปรางพูดหลงพาอาติว่าถูกต้องท่านมีบารมีผู้กับชาวบ้านชาวบ้านเขจะฟังก็ไปเจรจาไปขอร้องหลวงพ่าติเาจะหลอกชาวบ้านว่าให้พารัน เพราะว่าหลว่อ้างพูดยังไงตอไปยังงนะเบอกว่าเสียงไม่ได้รบกวนพวเราพวกเรารบเสียงนะท่านตอไปท้ายหลวู่จารยนะเราไปลองเชียร์พ่านว่เสียงม่รบกวเราเราเป็รบกเสียงมันเพราะทางัดใจเราเนตวิวาลุ่มไปตลดบอกันเสียงและจากใจไปตลอบอกเสียงที่ดงเลนมันเพราะใจสต ไม่ร well ู้ตัวังเป็นมากสำหรบเวลามีเสียงตัวสักางในห้องนี้ทันทีเลยจิ๊กยองเราบลูเมอร์อะจะไปจอดที่เสียงทันทีตอนี้เสียงนั้วก็ไม่ได้เสียจังเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเราบลูไปจอดที่เสียงนั้เนี่ยเราก็จะเริ่มหนุนเสียงแต่ก็ไม่พอใจไม่พอใจเสียงไม่พอใจเล้วของโทรศัพท์แต่ตอนนี้เนี่ยจะครับก็จะฟังตามที่เรื่องตอนนี้เราจะมาฟังเสียงดังกว่า แต่ว่าพอเราจบจที่เสี่ยงนั่นแหลเราก็จะเริ่มม่ใจเราก็จะเริ่มโง่เสี่ยที่เมืราจะเริ่มดังทีเจ้าของกองถังอะไรจนอยู่สักปีอันนี้เราว่าเป็นรอบกัเสียงครับนะใจเนี่ยพอเป็นใจพอที่จะหาเรื่องแล้วนี่ใจที่จหาเรื่องก็ไม่รู้ติตอนนี้เขาเตะพุ่เนี่ยเสี่ยงจะดับก็ดังไปใจก็ไปใจก็ไปต่อรอบกับเสี่ยเสี่น แต่ม่ได้ไปตักใจไยเ ป, ป บ, ป บ, บี่ยนนทำั้นได้เรามีมสติเสื่มรู้ตัวใจเสริมไปนะครับต่อไปสติเนี่ยมันช่วยทาให้เรารป ร, ปรปสบความสงบใจได้แล้วเราจะเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเดี๋มันจะดังอย่างไรเราก็มีสติได้ถ้าเรามีสติเนี่ยใจก็จะสงบได้แล้วสติเนี่ยมันสามารถจะทำได้ในที่สามารถจะถูกได้ใน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 ในคำพูดของเขาเนี่ยมันก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงผ่านไปเป็นวันผ่านไปอาทิตย์แล้วนี่เจอรจะคิดถิคพูดคำนั้นเวลาที่เราจะกพูดคาต่อว่าจากพอซึ่งผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนั่นแปลว่ใจเราไม่เฉื่อใจเราไปอยากให้ปล่อยให้หวานยใหใจเราเป่าจะร้ว่าจะคิดถึงน พลรู้ว่าใจเเกิดติดมันเนี่ยเราก็จะวางจริงความโกรธเนี่ยนะบางครั้งบ่อยครั้งเกิดขึ้นเราะาไม็มติแต่ถ้าเราเต็มติปุ๊บเนี่ยมันช่วยเราเจริบุตรธพูดดูว่าทำไมจะจากความโกรธให้ขาดลังโกรธจิใจว่ารุ่นรุ่นร้อนต่อความโกรธพูดมาว่าไม่มีเตจัดความโกรธให้ขาดได้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 คือตเลยังผ <may> <on the> so ่นเจอที่ไหลายปีวะูุเลตุยยังจะดูว่าเนี่ยวันไหนผุดสมวันนั้นเป็นขัหมงคลวันไหนไม่ผุดสมมิตวันนัเป็นั้มแต่ว่าถ้าอะไรผุดสมตวันนเป็นมงคลเป็นมงคลเพราะอวว่าู้เลตุมองว่าการสมีข้อดีประโยชน์ทำให้เราได้ความสุขภาพของตัวเราทาให้เราล้วงตัวต้องแย่งที่ตรงไหน และรวมทั้งเป็นการช่อยลดหลักตาของเราคนที่เป็นผู้นำนะคนที่เป็นเศรษฐีบางค้าเนี่ยก้อาจจะตกอยูตรงต้องนะอมีแตคนเชีย่ยวมีแต่คนโตงีต่ครโอแต่ถ้าเกิดว่าเราสมิรธิ์บ้างนะก็จะทำให้ตาหรืองโกมตรงนี้นะทำห้เราบมาเป็นผู้เป็นคนมากที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่คิดว่าเป็นเจาร แนกรที่เรามองว่าเราทำารผิดต้องไปโยม น, นะผู้จัดการศักดิ์ว่าเนี่ยจงมองผู้ที่ชีดโต้ว่าเป็นผู้ที่ผิดพลาดเวลาใครทำผิดพลาดเนีเ่ให้เรามองว่าเนียก็เป็นผ้ผิดพลาดให้เรานะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่โกรธง่าเราก็จะไม่รู้ง่ายเข้าผักตังหรือแม้กระทงจะทลุมจากว่ากลาวเราจะจาายแล้ว เพราะว่าเราดูจากองค์ในประโยชน์ของมันอีืนเรื่องเราว่าสอนที่หลวงปู่คาเนี่ยท่านมีชื่ออยู่หลวงปู่คาท่านดูว่าท่านอวมเจรแต่วนคือต้องรอที่วัดนี้เนี่ยก็มีแม่ชีท่านก็ชื่อแม่ชีจตาเป็นผู้อุปถัมภ์พระในอย่างดี แต่ว่าที่เมืเ่อเมือนจนุลาคมนี้คนมสวรูว่าท่านปฏิบัติดีด้วยภ า, นา ว, าวานาดีจนทั่งหลวงปู่ขาพระชมหลวงปู่หลวงปู่ขาเนี่ยอยากให้ลูกศิสองท่านสัานะได้การศึกวิญญาณเชิดตัวไปด่าไิจ๋าแต่าว่าไอ้ศิษาเนี่ยเขาสิ่งแด่ยดเชิอรุ่นงร้แตอก็ ทำตามสั่งทำทีมันปกติไม่ททาแล้วก็ปดาปัญหาความหลังกามาดูจากเช่นสายที่แรกตงมงนะแต่ไม่มีสายก็ย่งนี้แล้วจะมองเขากิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าเพื่ออย่างนมือแล้วก็รับความจาโดยที่มีอาการซุกพัดปดเฉื่อยทั้งสานนี้กดาจะเิจดาไนะสุดท้าก็ต้องย พออุ chord, han, Le, ู่ในศึกษาก็พูดาว่าท่านอาจารย์ท่านดาบอกเลิศสารราตซึ่นดีสาฟัราตซึ้นเอเนที่ขั้นบุจานยนะมันเป็นคำมานั้นเลยตามนั้นด่าชนิดนะด่าชนิดนเพราะว่ามันจะช่วยปูกิดเามันเป็นภาาเนี่ยนะมันจะโต เราจึก็กลว่าเนี่ยครูาาจาว่าเราลทางคามมีลูกศรดูแลข้าดีๆทำไมครูวาาจารย์บอกว่าแบนี้ถ้าตก่นก็รู้ว <content> ่าว่าครูบาอาจว่าเราเราจะหน้าดูไ้วที่ไหนแต่ถ้าศีรษะมันีะมีบารที่ดีเลยแต่ที่ด้านหู้กแนะอยู่ปาาจิตใจก็ว่าง่างข้างนอกสมัยแต่ข้างในเนี่ยปุ่นหวานก็คือแต่เ่อศีรษั้นเสมอพราะท่านมองว่า ไอ้คำดูดาเนี่ยมันช่วยขุดสิเลได้มันช่วยลดอาารวดตรนได้ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยไอ้คำดูดาวาา่ากาเนี่ยนอกจากจะได้ทำให้เราเป็นกูแค้นเนี่ยยังกับกาของดี่ยูอยู่ในความดูมองจากเรืม่มเป็นผู้มีสัญญาถ้าเรามีสัญญาแล้วเนี่ยนะใจก็สงบได้ไอ่ความงบภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วจะถูกดูดาวาา่ากลาหรือว่ามีคนมาต่ อ, อา้าต่อ ต่อว่าหนักออกหรือแม้แต่จะเจออย่างหนึ่งี่หนักกว่านั้นเช่นเจ็บป่วยแล้วคนที่เเจ็บป่วยเขเนี่ยป่วยใจป่วยใจด้วยจิตใจว่ารุ่นๆของรุ่นใจแต่ก็มีหลายคนนที่แม้ว่าจะเจ็บจะป่วยแต่ว่ใจไม่ใช่ป่วยธรรมดาไม่ได้ป่วยที่เป็นะเรงนะอาตมาเคยขาคนเนี่ย ไปเต็มที่อาจารย์ผู้ป่วยบงทุกทาที่อาจารย์วัดโคกนาเขาไมีผู้ป่วยเรียกผู้ป่วยหนักน้ำเนี่ยมาพักรักษาตัวฝากเที่ยไปโรงพยาบาลของมออาจารย์เกวก้เจสองสี่่เยจะเป็นอะไรสง ผมรวงมัจะเ็นอะามงแต่ตแแตตแน้าตาตัยิ้เนี่ยหน้าาเราแปลกใจคุยไปคุยม า, า, าเขาบอกเนี่ยเจอดีที่มันได้เป็น ม, มูปร่าอยากเป็นมะเร็งรูปก็ปวดมากเลยหนูโชคดี้ี่เป็นเช่น ม, ม็งสมองพูดได้หนูโชคดีเป็นเนมเร็สองอคนเช่นเป็นเกลียวๆให้ผมแตกตปยเพราะนอนในหลับน้ำวดใจนี่เป็นสมองไี่ยินได้ อาจารรียนใจข้างในเนี่สต้อเพราะว่ามนงานเรบุมากเระตระตางนี่แมาเจอจับมองภาษามองเราเรื่มมองแง่ดูคือมองว่าเราเจออะไรเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ดีกว่าดี๋ที่ไม่ยากกว่านี้เจออะไรก็ตามก็จที่ไม่ยากกว่านี้อันที่มันใช้ได้กับวเราเนีเวลาโจรตัสายเงินหายติโ ลองคิดทดลองดูมีที่ไม่ไม่ไม่เสียไม่หายว่าเนีนอะไรบนโลกี้ถ้าเรามีสัญญาเนี่ยสา ม, มารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆได้จะเป็นเป็นการแยกๆเราก็าาสามารถใจรักษาใจให้ถูกใจไม้สงรอยู่ได้แม้ว่าเจอคราเจอความยากลำบากก็จะเป็นช่วยได้ด้วยการมัญญา สองท้ายลองหาประจยชน์นเสู็จว่าเลยที่เราจะฟูปลาตกครวนะซึ่งเนทำให้เราปิดไม่ได้ไม่หลับวเ่เราเจ็บแลวเเราปวยซ้าเติมปว่ะที่เนเดิมรมอเิมมันสอนอะไรเรามาสอนให้เรารู้จักรว่าระวังเวลาเจ็บทสุดของะวังเวลาจะวางอะไรต้องระวังสติมันสอนให้เรา ได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง น, นะมาดีกว่าเราเปแค่สู้ค ร, ราวมาสอนให้เรารู้จักปล่อยวางมาปล่อยให้เรา จ, จับปล่อยวางเน้นเรามีปัญญาหราืญญอรู้จักมองแบบนี้เนี่ยกาเราเล่นยากจะพูดกับเราจะเล่นสมบูรณ์ได้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 เจอคนดเี่ที่ไม่โ่รู้สึกอย่างไรนะผมรู้สึกมันว่าความจามันนี่ที่แจ่มมันไ่ต้องรแต่รู้ชายนี้ม่เหมือคนทัไปมีคนมาถามว่าเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรที่เมที่คุณไปัะตอบนี้จะตอว่าเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยพราแม้แต่ตาผมแค่แฉเนี่ยมันมือกผมเลย แค่นี้อยู่ผมแเ่ใเนะ จ, จะไม่ทุกนะจะให้ทุกข์กับทุกอ่างที่ทได้ได้เห็นความจริงว่ามันเป็นสิ่อของเราเลยหรือไม่ทรคิดเของเรามันก็นไม่ใอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ น, น, นานๆอตอมแต่ขาเนะี่ยมันมาของเราเนะ น, น, นี่ยตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันดีคืนดีก็จากเราไปมันเป็ของเราทุ่ไหน นับตาเลยกับเมียซึ Nowadays, racism, Often, Though, ่งพึ่งรู้กันปีทีปีก็การในการนี่เขาจะทิงไปต้องยื่นบัตรจาอันนี้เนี่ยคนที่ที่เราได้ต้องมีปัญญามีปัญญาเห็นว่าเหมือนเมของเราเลยหรือสิ่งที่เราเชียอเป็นของเราแต่จริงแล้วคนที่เราเห็นแค่ส่วนของของเราที่เกิดขึ้ขึ้นเนี่ยเป็นของเราสบายฉะ้เนี่ยตอาคนทังหมดยังพูดพูดว่า ในการที่คนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักความสงใจนะมันจะเป็นมันจะเป็นโชคเป็นรากอย่างทร่เพราะว่าความสบความเพราะความสุขจอยู่เนียเช่นความสุขการมีรการมีเงินมีทอการมีสิ่งเร้าคุขือพิ่มใจเนี่ยทั้งผู้นี้เนี่ยันให้ความสุราเป็นชค่วกลาง แล้วเวลาที่ยแย่เนี่ยมันก็ช่วยเราไม่ได้นมีหมอท่านนึงเนี่ยซึ่งผังตัวนตัิดเป็นผู้หญิงนะแล้าเจตการก็ใหญ่โตแล้วก็มามาแต่งงานกับหมอคนนึ่งที่จะเป็นนักธุรกิจยกำลังดูเลยมีเงินเนี่ยซื้อเพรเนี่ยเล้ยงเป็นถุเลยนะ เป็นตามเลยแนสากัริงเจอแฟนเใจใจมากพาานน้าุกมาตเ่อุยเ็นกย่างที่รเคยแ่ตอย่างเดียวนะคือกเ็นสามีแต่เธอสุวที่มันตุอย่างเศร้าเศร้ามคตุกเบืนไรของข้าให้กอนเศร้าน่ะเจอวอเอเนะอาเอาเน็ตอเทเนี่ยเอามารเลย โมวางให้บนโต๊ะนี่นะแต่ตอนนี้เห็นเชลล์มีความสุขแต่ตอนนั้นเห็นเแล้วนี่นะไม่มีความสุขเลยเยอมากเลยมันช่วยตัวหายคุ้มไม่ได้ความที่อนเห็นเชลล์นี่นะมันไม่ตายตัวเลยมันมีความหมายเราเทลที่เอมาเอาวามันเป็นจุดมันเปหายสล้ามันช่วยตัวไม่ได้ในยาที่ตรวาตัว เวลาพูดถ hmm. ja ja e anyway. ึงคนที่เจ็บปวดกั็นแรงและอยากตายตาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยท่าเสียงในท่อนนี้มีความหมายมันช่วยทำให้ใจสงบได้มันช่วยทาให้หายทุกข์ไปได้แต evet. ่ถ้าเรารู้จากความหลงใจแม้จะเจอทุกข์เจอความทุกสูญเสียเจอความเกิดความป่วยจะงสามารถจะเป็นปกติได้นั่นคือเร่องข ความจ็บน้มันเป็นความที่จะเสื่อมไปความสุขนี้มัขึ้นมาถ่ายสุขจากจิตเราตื้นใจมันจะเริ่มที่ไปนะเพื่อนเราบอกว่าถ้นเราไปที่ติดมาแล้วเนี่ยเวลาหายเราก็เสียใจตู่ข้อตื่นใจคนใจของคนเนี่ยล้มป่วยนันทันทีเลยที่แรกเนี่ยหลานรู้ว่าเป็นโรคกระดูกใจหรือเปล่าไม่ใช่ รอกว่าในจักาไของเธอเนี่มานายไปคนใช้นะทท่าดูนยกว่าที่ของทางพยานนะซูป็นน่คุณบอกว่าของรักสองหัวนะสูญเสียไปจะพิชัยมันน่าสนใจพิชัยก็คือมาสามารถที่ทำให้เราทำชั่วได้ไปรงวไปประหั้น หรือก้รทําราชุ่คุณคอยเลือกลต่างตุ้นต้องคุณตัวกายเพื่อจะได้มีชักเพื่อจะได้มีเงินทองมากเนี่คือท e ok e. ิ่ย์ไยของความสุขประเทศแ้กแต่ภาควารกิจตอนนี้มันนิดๆทิพย์ไทยมันมีแต่กระตุ้นชวนให้เราทําความดีและถ้าเราทําถ้าเราต้องปรารถาถ้าเราปรารถนาภาคธุรกิจเนี้ยนอกจากเราจะมีใจใฝ่ทําความดีรับสารสิน แล้วเนี halten, ่ยม uh, ันทำเราเนี hmm. ่ยสามารถจะมีความสุขแล้วทำให้เราสามารถจะมีิงที่เรียบง่ายสัโดษนแล้วคะที <S <S ่ต้องการจะมีของมากมายเนี่ยเพราะว่าส่วนใีจะตใจเขาไม่รู้จักความสิ่งที่เรียบง่ายเลยเขาามสุขที่เจขาจะมาความสุขที่เกิดจากการมีและมีต่ตัมาระดับสุดขแต่ถ้าเวาเรามบความสุขภายในแล้วเนี่ยความสุขจากว่าสุจะเรื่องรอง ไม่มีก็ได้หรือก็มีตาสมควรสามารถจะหยาดฝนได้สามารถจะ่าด้วยชิ้นที่ง่ายไดเปีนี้อจะมีที่เนรอบหมดจักราอาจจะป่วยากวาอาจะปวยเนี่ยพวกเราคนที่รับรู้นว่าท่านเป็นผูท้ที่มีจิตใจงามนะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสามารถที่จะร่ารวยนะพอเป็นแบงค์เป็นตัว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 แล้วปวเนี่ยสามารถจะคองคนอยู่ในความตื้อสั่นตเพราะว่าทัานต้างฝาสุขภัยไปแล้วเมื่อั้อวา่าสุขไัยไหเ น, นี่ยท่านจนะึงสามารถจะอยู่อยสางสักอย่างสับได้ถิ้นบนกลงวันหรือแ้แต่ชื่อถิ่นเดียวเนี่ย มาดลื ion, so, um, so, um, ่อนโยงให้ทานทำสิ่งที่กิดไม่ได้เลยเพราะว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วจากชีวิตที่สงบจากจิตใจที่สงบถ้าไม่ใช่เป็นฆาตกรัมนะเงนี้ยกลนั้นะแต่ว่าต้นสามารถที่จะลดละอะไรก็ได้เยอะอาศัยความมีเครื่องรอเลี้ยใจให้มีความสุข แล้วเมื <S S ่อไม่ไม่ไปเพื่อพัฒาสุขภายในก็ไม่เป็นกไม่ไปลงรายที่ผิดกับเดทรัพับอันาจหรือว่าทตัพส์สินสำคัถ้าจึงสามารถที่จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างประหยัอยู่อย่างสงบมีชีวิตง่ายได้รักษาความดีเอาไว้ได้จนวันนี้เราก็มา เราต n อง a ้อัในงที่จะดูเ e มอการโนงาจะสคือว่าหากเราปรารถนาความสุขเนี่ยขอให้เราใจว่าจะได้รู้ว่าความสุขไม่น่ความสุขเกิดจากวัตถุความสุขการที่ใจสงบ ไม่ปรารถนาเกิมาเราถูกกระตุ้นใจเพื่อวาตถุขและทั้งเราต้องความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราจะมีความสุขได้ในทุกโอกาสทั้งในอยางขึ้นไนอยางลงทั้งในอยางที่ประสบโทคแล้วเจอโชคมีป่วยพลาดท่าลุ้นใจยังไงใจกรื่องสงบได้นี่เป็นความที่เป็นนี้ เวลาเขาตากำลควรเต้องต่อติกรรมการปฏิบร